ส่วนอุเบขาเวทนาก็นับเนื่องในสังขารทุกเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งอันใดก็ตามล้วนอันใดก็ตามถ้าถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ไม่เที่ยงอันที่จริงอัต อ, อริยสัตว์สประการเนี่ยเป็นอัตที่ควรทรงจำและเอามาคิดเอาไว้บ่อยๆนะปีระนะเบียดเบียนสันตาปะนะเร่าร้อนสังคตะ ถูกปัจจัยปรุงแต่งวิปริณามะล้วนแต่แปรปรวนหาดูเถอะแล้วก็อะไรมันก็เข้าหลักอันนี้นะั น, นถ้าใครที่มีความทราบซึ้งในอริยสัจโดยเฉพาะทุกขาริยสัจเนี่ยนะถ้าจะทำปริญญานะเอาสี่คำเนี่ยไปใส่ในทุกอารมณ์ที่ที่เกี่ยวข้องนะเช่นว่าสิ่งนั้นเนี่ยร้อนหรือเย็นนะนะสันตาปณะหรือ หรือยือกเย็นเหลือเกินในสังขารเหล่านั้นก็มาวิเคราะห์ดูแล้วเบียดเบียนไหมสังขารอันนั้นมันเบียดเบียนไหมมันถูกปัจจัยปรุงแต่งไหมเที่ยงไหมเนี่ยนะก็ก็จะเห็นนะนะก็จะละคลายความวิปราตในกองทุกได้แต่นี้จริงๆก็อย่างทุกข์ทุกข์วิปริณามทุกสังขารทุกก็ต้องการอธิบายอัด4ประการนั่นแหละใช่ไหมอย่างเช่น อ, อ, อัดดังกล่าวที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะหนปีละนะใช่ไหม เบียดเบียน2สันตาปณะ3 ส, สังคตะ4วิปรินามะแล้วก็มาดูว่าปีละนะเนี่ยเบียดเบียนใช่ทุกกรทุกเนี่ยสภาวะชัดเจนเลยว่าเบียดเบียนทุกกระทุกนั้นเป็นวิปรินามะเพราะว่าเออขอไปเป็นสันตาปณะเพราะมันเร่าร้อนจริงๆส่วนสังขารทุกเนี่ยนะก็เป็น สังขะเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะสังขารทุกข์ก็คือสังขะใช่ไหแล้วก็วิปริณามะวิปริณาม ะ, มะทุกข์ก็วิปริณามะโดยสภาวะที่ตรงตัวใครไม่ทันบ้างคุณบุญมีทนมัน ไ, ไหมอ๋อเหร อ, อ, ชอใช่แล้วก็เอาเอาเอาทุกข์สามอย่างมามาเปรียบดูนะ ทวนอีกครั้งนั้าหนึ่งอะไรทุกขทุกใช่มสองเวปริณามทุกสามสังขารทุกขทีนี้เราเอาอัดอริยสัตว์มามาจับอันนี้คือเรียกว่าทุกขตาสามกับอัดของทุกขสัตว์ น่นนะอัดของทุกขสัจจะอัฏถะคือเนื้อความของเขาะนะเช่นตอนอันแรกคือปีรนะสองสันตาปาณะสันตาปาณะแล้วก็สังคตะแล้วอะไรอีกสุดท้ายวิปรินามะถ้าเป็นพวก นักเรียนชั้นปะถมก็บอกว่าลองชี้ไปหากันซิอ่างเงี้ยป .3 ก็ยังมีเลยนะเขาบอกว่าจะลองจับคู่กันดูว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไห ม, มจริงนะลองมาพลิกพิกหนังสือปอ .3 มันก่อนก็บอกให้จับคู่กันอีกสองข้างเนี่ยเราก็ทบทวนวิชาปะถมเราดูนะเอทุกข์กับทุกข์คืออะไ ร, ระก็คือปีละนะกับสันตาปนะนะ ส่วนสังขารทุกข์คือสังขตะวิปรินามะก็คือวิปรินามะทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าทุกข์คืออุปาทานขันธ์ห้าทั้งหมดนี้กำลังพูดอะไรอยู่ทวนนะคืออุปาทานขันธ์หมีสภาวะเช่นนี้แหลแต่ถ้าชี้ชัดเลยนะก็คือเวทนาสาม แต่เวทนา3เนี่ยถ้ากล่าวเวทนา3มอุปาทานขันห้าเท่ากับกล่าวหมดแล้วใช่ไหมเพราะว่าเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของเวทนาคืออะไระวัตถุนะสูตรของเขาคือวัตถุใช่ไหมสออารมณ์อาศัยวัตถุกับอารมณ์เนี่ยประจวบกันนะเวทนาจึงเกิดทีนี้เวทนา น, น, นั้นเนี่ยเช่นสุขเวทนานเนี่ยดูจากอะไร ถ้าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมม์อารมณ์ที่น่าปรารถนาเวทนาเป็นสุขถ้าอารมณ์นั้นเป็นอนิถารมม์ที่ไม่น่าปรารถนาเวทนานั้นก็เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ทั่วๆไปปานกลางเวทนานั้นก็เป็นอุเบกขาเพราะเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นโดยปราศจากวัตถุ ก, กับอารมณ์ไม่ได้ วัตถุกับอารมณ์เนี่ยวัตถุเป็นอะไรขันรูปขันอารมณ์ขันห้าอารมณ์นี่ได้ทั้งห้าขันเลยเแล้วเวทนาเกิดขึ้นโดยปราศจากขันอื่นๆร่วมด้วยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวเวทนาสามก็เท่ากับกล่าวขันห้าหมดแล้วถ้ากล่าวขันห้าเท่ากับกล่าวทุกข์ทุกวิปริณามทุกสังขารทุกข์เท่ากับกล่าวปีะนะประนะสันตาปณะสังกะตะวิปรินามหมดแล้ว ท่า น, นะนอุดท่านจะต้องการอธิบายให้เห็นว่าขันห้าทั้งมวลล้วนแต่เป็นเป็นทุกข์นีนะขันห้าทั้งมวลล้วนแต่เป็นทุกข์ทีนี้ถ้าใครทรงจําอัดของอัดที่พระผู้มีพระภาคแสดงทุกอย่างนี้เอาไว้นะรับอารมณ์ใดขึ้นมานะเอาอันนี้มาจับอะเอานะเอาเอานี้ยนี่คือการทำอะไรปริญญาเนี่ยนะก็เอาปไปทำปริญญาแต่ทีนี้ที่สําคัญก็คือ มันนึกไม่ค่อยออกในชีวิตที่เป็นจริงนี่สิตรงนี้ไม่รู้จะแก้โรคนี้ได้ยังไงผู้การมีวิธีแก้ไหมว่าเอสเห็นอะไรทำไมจะนึกถึงคำสอนเหล่านี้ได้ท้องเลยแต่ถ้าคนที่จำได้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม ทีนี้ท่องจําได้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยคิดเนี่ยต่ว่าไงกันนี้น <c oughs> อันนี้อย่างพระที่เรียนเรียนมานะบางทีทั้งก็จําได้หมดนะผูดไรขึ้นมาก็จําได้หมดอะแต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้อันนีอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกระดับหนึ่งเลยในห้องเรียนเรานะเขามาเชื่อว่าคนที่จําอันนี้ได้เนี่ยมีครึ่งห้องเลย แต่ทีนี้ว่าเอ๊ะทำไมไมันคิดไม่ได้ทำไมเนาะคุณนภาเบค้าที่มันตกในฝายเล ย, ย, อ, อ, ยอ๋อเคอถ้าอัดของอัดอริยศัสตร์นะไอ้ถ้าว่ายาบเนี่ยอันนี้ยาบที่สุดเลยนะสมมติถ้าเราตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยศัสตร์เพื่อปิดอบายเนี่ยนะ สิ่งเราเนี่ยหยาบที่สุดแล้วที่ที่เราต้องเอามาคิดเป็นลำดับแรกลำดับต้นๆเลยผมเคยคิดว่าออในบรรดาอุปาทานขันเนี่ยนะเราควรจะเอาขันใดออที่เราน่าจะน่าจะเหมาะในการทำปริญญานะผมยังตั้งใจไว้ว่าเวทนาขันเนี่ย เหมาะมากเลยเพราะมันเพราะมันก็ไปเกี่ยวข้องกับรูปปขันด้วยวิญญาณขันด้วยอะไรถ้าพิจารณาเวทนาขันนี่นะสัญญาขันก็ตามมาสังขารละขันก็ตามมาหมดเลยก็ทุกปัญญาอยู่แบบสั้นๆสนใจเวทนาขันอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสูตรที่เรารู้แม่นๆเลคือก็คือในทีคันนี้ แต่จริงๆทีข้านักสูตรเนี่ยนะครุมหมดแล้วคือคิดดูนะว่าสูตรนั้นเนี่ยย่อยๆจริงภาษาริบุตรบรรลุะบรรลุเป็นอัครสาวกเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ธรรมดานะถ้าถ้ามาเจริญถ้ามาพิจารณาให้ละเอียดรอบข้อบเพราะว่าผู้มีปัญญานะส่วนหนึ่งเขาพิจารณาเวทนายานีเพราะเวทนาเ น, นี่ยมันคลุมทุกเรื่องเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายจริงๆนะในโลกเนี่ยมันต้องการเวทนาไอ้ที่ต้องการสิ่งนั้นนั้นจริงๆเพราะต้องการเสวย เวทนาจากสิ่งนั้นๆเช่นว่าปรารถนาวัตถุทั้งหลายเนียเพื่ออะไรสมมุติว่าบางอย่างนะเราเรามีของบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีเลยนะยถามว่าเอาไหมโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเรามีอ่ะนะโดยที่เราอดสวยเวทนาเพราะสิ่งนั้นนะไม่น่าสนใจเลยใช่ไหมอย่างอย่างอย่างที่ว่าการให้อาหารโดยที่ไม่ต้องสวยเวทนาในร่างกายเนี่ยทําได้ไหมได้เอาไหม ไม่ชอบใชบ่ไหมเราอยากได้อยากได้เวทนาจากอันนั้นขึ้นมาคือในชีวิตประจำวันนะฮะเราดูตัวเวทนานี่แล้วเนี่ยเราเห็นความเราเห็นความหาัศจรรย์ของมันครับว่าโอ้ตัวนี้มันขึ้นกับอารมณ์จริงๆนะเมื่เกียตัวเออเดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวครับชอบเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็ อมันเป็นไปตามอย่างนั้นจริงๆเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของอารมณ์เนี่ยมันเห็นว่าเออนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เราจริงๆมันขึ้นอยู่กับปัจจัยจริงๆถ้าถ้าของมาจะแนะนําแบบคนที่ประหยัดน้อยๆเ น, น, นี่ยนะพยายามพิจารณามหาพูดให้มากมหาพูดเดียวกันนี่แหละเดียวก็สเสวยสุขนะนะถ้าถ้าจะเรียนเวทนานะให้ดูเอาดูจากมหาพูด พอหมู่มนุษย์ทั้งหลายโดยมากมันเกี่ยวข้องกับม ห, มหาพูดใช่ไหมนั่นก็อ่านจากมหาพูดมหาพูดนี้ดีนะสมมตินะอย่างที่ผู้การว่านะเห็นหลานเนี่ยตอนที่มันหัวเราะเนี่ยมมีความสุขเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวมหาพูดอันนี้กระจององอแงขึ้นอีกแล้วจะเป็นยังไง น, นะเวทนาของของผู้ที่รับอนะเดือดร้อนอีกแล้วเดี๋ยวก็โสมนัทเดี๋ยวก็โทรมนัทบ้างอนะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ อันที่จริงถ้าดูมหาพูดแล้วว่ามหาพูดเหล่า น, น, นั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอันถ้าพิจารณามหาพูดมากๆนะจะพิจารณาเวทนาได้โดยไม่ยากนักซึ่งวิสุทธิมรรคท่านก็แนะนำให้พิจารณามหาพูดให้มากเข้าไว้เดี๋ยวจะพิจารณาเห็นเวทนาโดยไม่ยากใช่ไหมนึกถึงมหาพูดที่น่าปรารถนาเมื่อไรเราก็เ้วก็ยิ้มก่อนนะโสมนัตเวทนาก็เกิดนึกถึงมหาพูดที่ไม่น่าปรารถนา โทมนัสก็เกิดถ้ายุงกัดเวทนาอะไรเกิดทุกคเวทนาก็เกิดเนี่ยนะทานาปรารภดีๆนะมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาบางอย่างถ้ามันนอกตัวนะเป็นอารมณ์ของเวทนาถ้าอยู่ภายในเนี่ยเป็นวัตถุของเวทนามันถ้าพิจารณามหาพูดมากเวทนาจะพิจารณาไม่ยากเพราะเราทั้งหลายมันมันเป็นศั์ที่เรียกว่าอยู่ด้วยมหาพูดขึ้นต่อ มหาพูดมันมหาพูดเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามอย่างเยี่ยม น, นี่ไงคือเราแทบจะเดาได้เลยนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเรามีอุปาทานขันของภายนอกเ ป, นเป็นเป็นอารมณ์นะเราแทบจะเดาได้เลยว่าผู้ที่ไปกับเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องโสงมนัสเพราะมหาพูธรูปหรือว่าเพราะอารมณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวเขต้องโทรมนัสเดี๋ยวต้องโสงมนัสเราแทบจะเดาได้เลยว่า โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันมันมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปอโอกาสนี้ได้พิจารณาภายนอกถนัดมากนได้ได้พิจารณาภายนอกเป็นหลักนะนั้นก็เป็ไหนก็คุณนายก็ได้เปรียบจริงๆเลยนะอยัางเช่นสมมุติว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเรารู้เลยครับฮถ้าอ่านหนังสือพิมพ์นะตาไอไอเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีโดยมากมันเป็นอนิจจารมถ้าส่วนใหญ่ะ ส่วใหญ่เป็นอนิธารลมหมดนะในหนังสือพิมพ์นอกจากแจวเออหนังสือเรื่องบันเทิงดาราอะไรพวกนี้เงินเอินั่นยังมียังมีอิทธารลมองนะเป็นอนิธานรลมหมดเลยเอข่าวคราวที่เป็นอนิธารลมมันค่อนข้างขายดีแต่ว่าถ้าโดยเนื้อหาเนี่ยมันบอกเวทนาเราอยู่แล้วนะหรือแม้กระทั่งเอาแบบหยาบๆเลยนะคนที่เราคิดถึงเนี่ยบอกเวทนาเราหมดเลยว่าคนนั้นน่าปรารถนาสําหรับเราหรือไม่ อันนี้เป็นอะไรก็ดูว่าถ้าน่าปรารถนาก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่น่าปรารถนาสําหรับเราก็เป็นทุกขเวทนาหรือโทมนานะเวทนาถ้าบุคคล น, นั้นเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยโดยมากก็อุเบกขาวเวทนาพราันถ้าพยายามสังเกตรหรือดูจากอารมณ์นี้ก็เห็นแล้วล่ะนั้นเป็นคนที่เจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยเป็นนักอ่านอารมณ์มากมากเลย แต่ก็ถ้าดูอารมณ์แล้วก็จะเห็นเห็นเวทนาโดยไม่ยาก<ม>นนะหรือถ้าดูจากเวทนานะสาวไปหาอารมณ์ก็ไม่ยากแต่สำคัญที่สุดคือใส่ใจในส่วนนี้ให้มากมนะนะอย่างวันไหนเราไม่สบายใจนะวันนั้นคือเราใส่ใจอนิจฐานลมซะส่วนใหญ่วันไหนที่เราดีใจคือเราคิดถึงแต่อิทธารมซะส่วนใหญ่ถ้าวันไหนเราเฉยๆคือหาอิทธารณ์ไม่ได้ แต่ก็ไม่หาอั น, นิถารมก็ไม่ค่อยเจอมันก็ก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็ธรรมดาปกติอย่างงี้ยนะก็อุเบกขาวเวทนาใช่หเราไม่รู้ว่าเมื่อชาติต่อเรสังสมมาแบบไหนเนจุรตั้งรูปาวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเวทนา <laughs> อ, อ๋อคุณโชคคุณมมีจะให้โสมนัสเวทนาเกิดจะให้โสมนัสเลยเวทนาคนอื่นไม่ค่อยเดดกิดอ่ี้ผมกลังเรย่ กำลังโสมมานัตเวทนากับดอกกุหลาบใช่ไหมก็มันถ้ามานุิการบ่อยๆดูจากอารมณ์เนี่ยนะพิจารณาจากอารมณ์เนี่ยก็อ่านเวทนาของเราได้เพราะถ้าใครอยากจะมีความสุขนะก็ถ้าถ้าดูตามเวทนานะพยายามคิดหาแต่สิ่งดีๆมาคิดเข้าไว้หาสิ่งแต่หาแต่สิ่งที่ตัวเองปรารถนามาคิด สิ่งไหนที่ไม่น่าปรารถนาก็อย่าไปคิดถึงมันแล้วบุคคลนั้นจะจะค่อนข้างมีความสุขมากะนะแต่ว่าอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปไหมเพราะสิ่งเดียวกันที่น่าปรารถนาไม่นานมันก็จะเริ่มไม่น่าปรารถนาขึ้นมาเนี่ยนะก็อย่างที่คุณมูนีว่าดอกไม้งามเนี่ยมันจะ ง, งามสักกี่ชั่วโมงเนี่ยนะก็สองวันนี้ก็เต็มที่ใช่ไหมวันที่สามถ้าจําต้องอยู่กับดอกไม้นี้ตลอดไปนะ ก็วันที่หไปแล้วนี่ก็ค่อนข้างลําบากใจเลยใช่ไหม <S <S ท่านก็ถ้าหากว่าพิจารณาบ่อยๆเข้าเนี่ยในสิ่งเดียวกันมันเปลี่ยนไปเพราะอนุภาพของมหาพูดมันขึ้นด้วยเนื่องด้วยมหาพูดด้วยกันใช่ไหม <S <S <S ฉะนั้นว่าถ้ามหาพูดที่ที่งามบางอย่างเนี่ยเพราะงามความงามของปัตวีธาตุถ้าปัตธาตุอื่นๆไปทําให้ปัตวีธาตุเปลี่ยนไปอะไรจะเกิดความงามของมหาพูดบางอย่างเนื่องด้วยอาโปธาต ถ้าอาโปาธาตมันลดลงนะความงามเหล่านั้นมันก็หมดไปความงามของมหาพูดบางอย่างเนื่องด้วยเตโชธาตถ้าเตโชธาตมีดีมีพอเหมาะสมความงามนั้นก็มีถ้าเตโชธาตอันนั้นหมดไปความงามก็หมดไปความความสวยบางอย่างก็เนื่องด้วยวายโยธาใช่ไหมถ้าวายโยธานั้นนั้นเสียหายสีอันนั้นก็เปลี่ยนไปนี่แหละพันสี สีเนี่ยมันขึ้นตรงต่อมหาพูดมหาพูดขึ้นตรงต่อแล้วแต่ว่ากรรมจิตอุตุหรืออาหารกรรมจิตอุตูอาหารก็ขึ้นต่อปัจจัยอื่นอื่นอีกนะเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าผู้ใดติดข้องในเวทนาผู้นั้นก็เท่ากับติดข้องในเงาซึ่งมันเป็นของที่มันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ได้มีความความจริงที่สูงสุดจริงแต่ความจริงอันนี้เป็นความจริงที่ ไม่เที่ยงพงษ์ยึงถามบ่อยๆใช่ไหมว่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้ควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเราสําคัญหรือไอเวทนา น, นี้ว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างเป็น uh. อัตตาของเราบ้างแล้วเวทนาอย่างนี้นะพองษ์บอกว่าเพราะเหตุนั่นแล เพราะเหตุเพราะเหตุที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเวทนาทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกอย่าละเอียดเลวประณี๊ยดใกล้ไกลเธอควรเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะอะไรเพราะมันก็เป็นเวทนา อยวันยังคำ่ำเป็นเวทนาที่เป็นทุกขทุกเป็นวิปรินามทุกขเป็นสังขารทุกเนี่ยนะมันอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ถ้าฟังดีโยนิสโสมนัสิการโดยชอบถูกต้องย่อมเบือร์นายแม้ในสุขเวทนาย่อมเบอร์นายแม้ในทุกขเวทนาย่อมเบอร์นายแม้ในอาทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบอร์นายวิราคะก็เกิดขึ้นยังไงคละไม่มีราคะใน เวทนาเนี่ยนะก็สิ้นราคะในเวทนาทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถพิจารณาเวทนาจนเบื่อหน่ายในเวทนาได้ก็เท่ากับเบื่อหน่ายในวัตตะทั้งมวลเนี่ยนะเพราะจะรู้ว่าวัตตะทั้งมวลที่เราสแสวงหาต้องการหาก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเวทนาทั้งนั้นเล ย, เยนะจริงก็แม้กระทั่งรวบยอดต้องการสีเสียงกลิ่นรสโพชพระอารมณ์ในทวารหกก็เพื่อให้มี ภาษาภาษาอันนั้นจะได้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนามันเมื่อรู้เวทนาก็จะสาวไปหาภาษาภาษะอันนั้นที่มีได้ก็เพราะมีอายตนะเหล่านี้แล้วนะอายตนะก็อาศัยนามรูปอีกนามรูปมันก็ขึ้นตรงต่อวิญญาณวิญญาณก็ขึ้นตรงต่อสังขารสังขารก็มีวิชาเป็นปัจจัยเนี่ย น, นะมันเมื่อพิจารณาโดยแง่มุมใดๆสังขารทั้งหลายก็ไม่ควร ไม่ควรยึดถือโดยประการนั้นนั้นคํนคสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนเราทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อให้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในในอุปาทานขันเหล่านี้นี่แหละขันการเรียนเรื่องทุกขสัตเนี่ยนะจะใช้คำว่าปีลณนะสันตาปนะสังคตะวิปรินามะหรือใช้คำว่าสังขะทุกขทุกสังขารทุกวิปรินามะทุกวัตถุประสงค์ก็เพื่อ ความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิปัสนานะนะสาระของวิปัสนาอยู่ที่ความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าสาระของอรยิยมรรต์อยู่ที่คลายกําหนัดในอุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายกับคลายกําหนัดจึงเป็นของคู่กันเนี่ย น, น, นการฟังมานี้ก็น่าจะเป็นอุปนิสัยเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดอีกวันหนึ่งะนะหมดเวลาแล้วเร็วจังเลยคนนี้มีระสัมถะระนา คณเอามาหรือเปล่าเรื่องนั้นเนี่ยคือก่อนจะจบนี่นะผมอยากจะให้กำลังใจหน่อยนะ <c oughs> คือว่าบางทีเราก็คิดว่าเราเนี่ยโอ้พระริยตรรมไมเราก็ไม่ค่อยรู้นะฮะความจริงแล้วก็เรารู้พอสมควรละทีนี้เราจะคิดว่าโอ้เราจะรู้ปริยัติขนาดนั้นมากๆอย่างพระอาจารย์อย่างนี้นะมันไม่น่าจะไม่น่าจะคิดอย่างนั้น แล้วการเจริญนิพพานานี่นะฮะผมได้ได้จากอประสบการณ์ชืว่า เ, าเริ่มเริ่มทะก่อนว่าจุดเล็กๆล็กทั่อนเช่นเวทนาเนี่ยเอาแค่อารมณ์อย่างเดียวก่อนพวามจริงปัจจัยอย่างอื่นมีเยอะในเรื่องเวทนานี่นะ เ, เริ่มสังเกตจริงๆก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วค่อยค่อยขยายออกไปแบบเดียวกับารเจริญพุทธคุณเหมือนกันนะเริ่มจุดค่อยสั้นสั้นก่อนแล้วค่อยค่ยขยายออกไปขยายออกไปเนี่ยนะก็จะทําให้ เกิดกำลังใจแล้วก็ทําให้เออเราก็เราก็เรกจเริญได้ถ้าเราไม่เริ่มเลยนะไม่เริ่มเลยนะก็ไม่รู้จะเริ่มเมืไหร่เหมือนกันอย่างเวทนาเนี่ยเริ่มสังเกตอารมณ์ก่อนนะโดยจะตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยสังเกตได้เลยไม่เชื่อหองท่านนอนดูที่ครับเวลาท่านนอนนี่นะท่านนึกน ะ, ะเออเรื่องเวทนานี่นะเพราะว่าตอนที่เราเราเราเราเรานอนเนี่ยเราคิดถึงธรรมอารมณ์ใช่ไหยฮะ เราลองคิดถึงเรื่องอะไรที่มันทําให้โสมนัสเรื่องอะไรที่มันเกิดโทมันน่ะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงคิดอีกนายหนึ่งกันนะถ้าถ้า ถ, ถ้าเราดูทีวีนะคิดถึงแค่คําว่าเวทนาแล้วคิดไปเรื่อยๆนะตัวละครตัวนี้เวทนาอะไรคนนี้ออกมาโชว์เวทนาอะไรนะจริงๆก็เปลี่ยนแต่เวทนาสามนะนะั่นแหละอีกคนหนึ่งหน้าบึ้งกลับมาเลยนะเวทนาไม่โสมนัสแน่ใช่ไหมอันนี้ง่ายนะอีกคนหนึ่งหน้าแบบอืเฉื่อยชามากเลยนะ อันนี้ก็อุเบกขาเวทนาก็ก็ไม่ต้องดูทีวีก็ได้ดูหน้าเราเราท่านๆ ท, ทั้งหลายนี่ก็เห็นแล้วล่ะว่าเวทนามันเป็นอะไรนะก็คิดเรื่องนี้บ่อยๆแต่นี้ก็อย่างว่านะมณสิการถึงคําว่าเวทนาทุกขทุกขสังขารทุกข์วิปริณนามาทุกข์กันนะจำคาถาอันนี้ให้แม่นกันแล้วกันแล้วจะใช้ได้งานตลอดไปนะจริงๆก็นี้คาถาขลังมากนะปิดอบายได้นะอย่าไปเครื่อว่าธรรมดานะ นี่เป็นธรรมะคนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะเป็นธรรมที่พระองค์แสดงเพื่อ น, นําออกจากทุกข์อย่างแท้จริงสําคัญที่สุดก็คือว่าทํำยังไงเราจะเอาไปตรึกเอาไปคิดเอาไปเจริญได้ให้บ่อยให้มากอันนั้นเป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายที่ควรใส่ใจว่าฉนันนัยน้อเราจึงจำมนาสิการในคําสอนได้มากเนี่ยนะแต่ถ้าทําไม่ได้มากละ่ะก็ควรที่จะ สังเวทก็แล้วกันสังเวทเป็นเหตุกล้าแห่งความเพียร น, นะท่านก็คิดยังไงให้เกิดสังเวทเวัตถุบ่อยๆก็จักเจริญสมถะและวิปัสสนาได้มาก น, นะหมดเวลาแล้วนะ